ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัตสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิ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 เมื่อใจตั้งมั่นได้ปัญญาก็มีปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญากเกิดขึ้นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็ย่อมเกิดตามตามกันไปแต่การนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติ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 เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันเนี้ยสำคัญมากถ้าหากว่าเราถึงเวลานอนก็นอนไปเฉยๆไม่มีข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดตัวเองจิตใจมันก็เลื่อนลอยไปเรื่อยลุ่มหลงไปเรื่อย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 ไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆมันต่ำจริงที่เรียกว่าไปตามกิเลสนั้นแหละเรียกว่ามันต่ำอารมณ์ต่านั้นมันพาให้จิตใจเราหลงไหลไปได้ไ ง, ง่ายๆท่านจึงให้มีความสัตย์ความจริงในเวลาปฏิบัติบูบชาประจากายวาจาจิตของเราเมื่อมีความ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 มีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีภาวนาอยู่ทุกคืนทุกคืนพาให้นิสัยใจคอของเรานะั้นเปลี่ยนแต่งจากที่ไม่ดีให้ดีได้เพราะอะไรทุกอย่างมันสู้ที่ว่าทำอยู่เสมอเสมอไม่ได้ การประกอบกระทมอยู่นั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติและเป็นการเปลี่ยนแปลงจริตใจของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจมีแต่ความต้องการตาดนาอย่างเดียวยอมไม่สำเร็จ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 เมื่อเราไม่ไปความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่นีกิเลสในหัวใจนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารมารมารคือสังขารปรุงแต่เมื่อมารคือสังขารตรุงแต่ถ้าเราไปเชื่อไปหลงมาก็ไม่มีเวลาทำไ ม, ไม่มีเวลาปฏิบัติ เพื่อมานสังขาร น, นั้นเขาลู้จับนิสัยใจคอของเราดีว่านิสัยใจคอของเรานั้นเป็นคนมักง่ายเขากลรู้แล้วก็ชอบอารมณ์ใดเขาก็ลูวมานสังขารมันคอยจะเอาสิ่งที่จิตใจเราชอบเราหลงนั่นแหละมาโกหกพกนม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 อย่าไปเชื่อหลงหลงกิเลสของคนในโลกธรรมดาคนในโลกนั้นมันก็ชักชวนดึงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นส่วนมากในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้คบค่าสมาคมกับบัณฑิตท่านไม่ให้ไปคบค่าสมาคมกับคนผ่าน คนผ่านภายนอกอย่างหนึง่งคนผ่านภายในจิตเป็นผ่านคือจิตใจคนเรามันชอบไหลไปในทางที่ต่าที่ชั่วนั่นแหละคือมันเป็นเป็นผ่านอยู่ในตัวอย่างว่าได้เวลาได้เวลาหว้พระสวดมนนั่งสมาธิภาวนาถ้าไปเชื่อจีเลกมาน สังขารละมาดไม่ได้ทำเพียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์แค่ทีนั่งภาวนามันมีข้อแก่ตัวแหละถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแก่ว่าร้อนอย่าเพื่อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายซะก่อนถ้าทำการทำงานนักยินดีหน่อย มันก็ว่าเหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนเสียกอดหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่มดีเท่าไรอย่าเพื่อภาวนาเลยมันท้องมันหิวมันหิวถ้าวันไหนอิม่มอิมจึงค่อยภาวนาอย่างนี้ก็ไปเชื่อมันบาเล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 อันนี้คือว่าเราไปเชื่อมารสังขารกิเลกมารสังขารละมานเขาเคยผูกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ไม่ให้หนีจากโลกไม่ให้พ้นจากโลกต้องดูพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเป็นประทานถ้าดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วย่อมไม่มีเวลา พระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ท่านปาฏถนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณมาท่านไม่ให้ขาดเกิดมาพบใดธาตุใดก็ตามทานฉีกภาวนาท่านทรงยกใสเก้าเท่าใส่หัวตั้งใจทำตลอดชาติ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 ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปโดยลําดับลําดับผลที่สุดก็ได้ถึงขั้นตัดสรู้เป็นสพุตติยะนั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ทอถอยคนอื่นผู้อื่นทอถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้เราทุกคนก็ให้คิดถึงตัวเองท่านมาก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 แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เหมือนกันไม่ม่คยปรารถนาว่าให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเถิดนี่แต่จะมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินยุกกินยาอยู่ทุกวันทุกคืนถึงขน้นมันก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้นี่แหละเวลาเราจะทำความดี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 เที่ยงวันมันก็ตายได้ตะวันบ่ายมันก็ตายได้คิดแปดนอมันก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเออความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้ คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจารณาถ้าตัวเราเนี้ถึงขั้นตายอย่างนั้นคนงามความดีอันใดของเราเกิดมีแล้วหรือยับเราจะไปร้องขอเอาจากใครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกรรมเอาบุญกุศลสนน่วนนี้เราอย่าให้มันเสียเวลา ให้เลี่ยนาเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราก็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้างหรือว่าไปช่วยตายให้ข้าไปเจ้าบ้างเขาจะไม่ยอมก็ได้วาระของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าไปเจ้าไปตายทําไมเล่า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 มันก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหนวยถ้าเราเพึ่งตัวเราเองแหละตั้งใจไว้ว่าทุกคืนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักขนาดไหนก็ตามเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ มันจะตายเราก็ยอมตายในที่การทําคุณงามความดีนั้นเมื่อตั้งใจไหวอย่างนั้นแล้วก็ประกอบกระทําให้ได้เป็นขั้งแรกขั้งที่หนึ่งเมื่อทําได้ขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองก็ทําได้ขั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็ทําได้ แต่ถ้าเราไปละเลยเสียข้างแรกก็ทำไม่ได้มันก็โกหกพกลมเราเลื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งทั้งเวลามันมีอยู่ชีวิต เ, เราก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเราจะว่าทำไม่ได้ไม่ได้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 มันเกิดขึ้นจากนี้ทานศีลภาวนาท่านให้ม้วนลงมาที่ภาวนาตั้งใจให้มัน่นเอาให้มันจริงในใจของเราฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจริงตามกาลจริงตามเวลาได้เวลาทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะ เวลาฝังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งหลังนี้เราต้องเอาเวลาเข้ากะเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นมันละมันละจนหลวมหลวมมันก็หลุดลุยไปหมดจะทำเวลาใดก็ไม่ิงเวลาทำ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 เป็นพระโสดาสกิคาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์ตาคือว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักพูดนักพูดอย่างเดียวมันพอทาได้นักทำนักปฏิบัติยากห น, น่อยแค่นั้นยาได้เป็นเพียงแต่พูดได้แต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้ผล แล้วก็ทำไมข้าพเจ้าทำจึงไม่ค่อยได้ผลหรือว่าภาวนาวลาะมาหลายปีหลายเดือนแล้วจิตใจก็ยังไม่เป็นไปได้เพราะเหตุอไรแล้วก็เพราะว่าเราทำอะไรมันไม่จริงใจใจไม่จริง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 นั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวานาเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวานานอนชี้หับสยญาต์นอนตะแคงขวาก็เป็นการภาวานาคือว่าทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าชานาญเข้ามันต้องทุกอิริยาบทนอนแหละเหมือนจึงจะเป็นไปได้ ถ้าเราจะเอาเวลานั่งอย่างเดียวบางคนมันนั่งมาตลอดวันแล้วเมื่อมาถึงเวลาจะหลับจะนอนมันก็ง่วงไปนั่งเข้านิดหน่อยมันก็เหงาเลยคนที่สุดก็ไม่ได้เลือกถ้า ง, ง, านนาง่วงเหงาเหานอนจะทาอย่างไรง่วงเหาเหานอนท่นก็มีสิ่งที่แก้ได้ ถ้าเราเดินความง่วงเหาหวหานอนมันจะหายไปแต่อย่างอื่นนั้นมันมันง่วงมากๆแล้วเอาไม่ไหวอย่างนั่งสมาธิก็เถอะนั่งเข้ามาํามันความง่วงมาทับถมนะมันหลับไปเลยคอพับลงไปแล้วก็หลับนกนเกาะเกาไม่ได้เรื่อมไม่ได้ราว ท่านให้เดินจงกรมโดเดินกลับไปกลับมาให้จิตใจมันชดชื่นให้ร่างกายมันปลอดปล่งความจริงถ้าเดินมากๆนี่สบายผู้ฟุตหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ค่อยดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย จึงให้เอาพอดีแต่เดินให้ดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กำเริกเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยครั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุ บวชใหม่องคหนึ่งเป็นคนลูกหลานเศรษฐีเขาว่าลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากม่บวชพอท่านลาได้มาบวชท่านภาวนาจริงๆองนั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองค์นั้น ทีแรกท่านก็มานั่งภาวนานั่งภาวนามันก็เกิดหลับแล้วไไม่ได้เรื่องท่านก็เอาไปคิดไปอ่านพิจารณาว่า <c oughs> ทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ง่วงท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจงกงมงรมไป ท่านก็ไปปัดกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัยทําที่เดินจงกรมน้นทีนี้ท่านไปเดินเอาจริงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไรก็ไม่สาบจนเดินจนเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียด วาเอาเดินจนเท้าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลท่านก็คลานเอาวนะันเอาเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนเหมือนวัวควายละภาวนาพุทธอเรื่อยไปก อ, องนี้ท่านท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้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 พื้นแผ่นดินเรียบเรียกปัดกวาดดีๆแล้วนอนกลิ้งไปเลยพลิกไปพลิกไปพุโทโธไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุโทโธเลื่อยไปอย่างนั้นอนะ่ะอีกตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลย คือร่างกายก็ไม่แตกไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเกิดยืนและขาดความหนักมันสม่ำเสมอกันเลยร่างกายไม่ไม่เป็นไรใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจนนานต่อนานจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจนเกิดปัญญาวิทาความรู้ละความง่วงเหาเหานอนได้ จนถึงขั้นใด้สำเร็จมรรคผลในการเดินจงกรมแบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งนิ่งถ้าไปนอนนิ่งๆ้งกิเลสมามันก็เขาเยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิงไปพุโทโธกลิ้งไปนึกเจริญเอาจนได้ใช้ชนะได้สำเร็จในการเดินจงกรมองนั้น หลวงปูว่าได้สําเร็จทุกคนมันแหละตอนที่มันไม่เอาในีีตอนนี้มันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้โยกมือสาทุอยากได้แหละเพื่อเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำ ม, มันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลกตามการอ้างเวลาแก่นั้นแกนี่ไปหมดทุกอย่าง แค่นั้นเราต้องตั้งใจทำจริงๆถ้าเอาจริงๆแล้วทำมาไม่เหลือวิสัยโยในวิสัยทุกคนจะต้องเป็นไปได้แต่ว่าการปฏิบัติบูบชาภาวนานั้นท่านว่ามันเป็นไปต่างจริตนิสัยของแต่และบุคคลจะไปเรียนแบบอย่างองค์นั่นอง์นี้ เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่แค่อจะได้มันมีแดดของใครของมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนั่นแหละผู้บายธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ใช่พุโทโธอย่างเดียวพวกบายใดเมื่อเราเอา ม, านมาันมาเจริญมาสอนจิตสอนใจของเราถ้าให้จิตใจเราสงบละรับ ได้รับความสลดสำเร็จก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับจริตใจของเราเอานั่นมาพิจรารณาแต่บางคนนั้นเอาอุบายใดก็มักจะไปโมติอุบาย ว่าอุบายนั้นก็ไม่สงบอุบายนี้ก็ไม่สงบจะให้มันสงบจะให้สาเร็จง่ายๆแต่ว่าการทำการภาวนามันไม่ติดต่อกันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดฝุ่งส่านไปว่าข้าพเจ้านี้บุญวาสนาบารมีมันถ้าจะน้อยไปหน้อยก็ไปคิดไปอย่างนะั้น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 คนมีแขนสองข้างไม่ด้วย น, นั่นแหละคนมีบารมีคนมีขาสองขาเดินได้นั่นแหละคนมีบารมีคนไม่เป็นใบก็เป็นคนมีบารมีคนไม่เป็นขี้บ้าก็เป็นคนมีบารมีเมื่อบารมีมันมีอย่างนี้มันต้องทำต้องปฏิบัติ แม้จะดีมัดทุกอย่างแต่ว่าอาัยกิเดกมายั่วยุให้ท้อถอยความเพียรไปเชื่อมารกิเลสที่ว่าก็ไม่ได้ดเลือกอย่าไปฟังมนะันตั้งใจทาตั้งใจปฏิบัติมันจะหลอกลวงให้เราหยุดยัง้งเป็นอนว่ามายอม พระพุทธเจ้าพระอาริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยอมไ ห, ห้าท่านเอาจริงจริงอีแลสความโกอความโลกกวามหลงในท่านเห็นว่าเป็นตัวมานร้ายที่สุดท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อโซ่เอาจนได้ใัยชนะไม่ใช่คนอื่นซ่ให้นะ้ะตัวของท่านท่านสู้เอง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 ก็ท่านเป็นลูกท้าวพญามาหากัตรย์ตระกูลสูงที่สุดถ้าจะดูตามปุริสลักษณะตามตำนานหนังสือท่านก็วร่างกายสังขารท่านเด ว, ว่าสู้ภาพเรียบร้อยแข็งแรงท่านทำอะไรก็เอาจริงทำจริงด้วย ผลที่สุดท่านทําจริงๆปฏิบัติจริงๆจนในโลกไม่มีใครสามารถจะตรัสรู้ได้เหมือนพระองค์แต่พระองค์ท่านตัดได้ทําได้นั่นละคือว่าคนทําจริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเป็นประธานพิงได้ เป็นคติเตือนใจเราๆท่านๆว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเรานั่นแหละเตือนตนด้วยตนเองพิจารณาภาวานาคิดใจของตนเองให้สงบตั้งมั่นให้เอาจจริงๆทำจริงๆเมื่อทำจริงปฏิบัติจริง จะไม่รู้จริงเห็นแจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยาว่างให้เห็นว่าพระองค์ยังละยังตัดได้ทั้งที่เราดูชาติดูตระกูลนั้นไม่น่าจะออกมาบวชมาภาวนาได้ถ้าคนสมัยนี้ละก็ย้างอีกก็ไม่ได้ สมัยนั้นไม่ต้องจ้างท่านมีศรัทธาสเสด็จออกบรนพระขาเองไม่ให้ไปท่านก็ลักออกไปเที่ยงคืนเราก็ลุกขึ้นขี่ม้าไปเลยใครไม่ทันทำละท่านเอาดีท่านเก่งท่านเก่งมากดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านภาวนาเก่งเราก็ต้องเอาให้เก่งภาวนาไม่ใช่เก่งพูดเก่งที่คุยใช่ไม่ได้เก่งปฏิบัติละกิเลสความโกรธนั้งหมดไปนัและคนเก่งละกิเลสความโลภลาคะตัณหาตัดออกจากจิตใจได้นั่นแหละคนเก่ง พระเก่งเนรเก่งแม่ขาวเมธีเก่งต้องเป็นผู้ตัดกิเลสในใจของตนได้ไม่ตามใจกิเลสผู้ใ ด, ดตามใจกิเลส ข, ของตนเจะจะจัดว่าเป็นคนเก่งกล้าสามารถไม่ได้ขนอ่อนแอทอดแทนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสามารถอาจทาน มรรคผลนิพพานที่พระองค์ได้ตัดสู่นั้นความจริงคือพระองค์เอาชีวิตแลกเอาโดยเวลาวันนั้นที่พระองค์ได้ตัดสู่ท่านมีความตั้งใจว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกะระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายที่นี้จะไม่ไปตายที่อื่น ท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้ากิเลสมารสังขารลมารไม่ต้องมาหลอกเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อแกแล้วจะองค์ชี้หน้ากิเลสได้ท่านไม่ทำตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวจิตใจแน่วแน่มั่นคง จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆไม่เนใครไปช่วยพวกเราทั้งหลายก็ไม่เลยไปช่วยท่านอย่าว่าแต่ไปช่วยภาวนาแม้อาหารและบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดถ้ามัยนั้นเกิดดูจะเป็นคนตักบาตรไม่เมืนคนใส่บาตร พระพุทธเจ้ารวยใหญ่ล้วไปขอขอทานชันกับท่า น, นเรียกว่าไปตัก บ, บาตพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใสบาตรดังนั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียให้ใหม่อย่าไปเอาใจที่เกียดที่ค้านมักหน้าใ้ใจมีความเพียรความหมันความขยันอะไรทุกอย่างมันขึ้นกับความหมันขยันทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมทางโลกเราก็จะบนแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็เราไม่ทำการทำงานให้มันเป็นร่ำเป็นสันมัวเห็นแต่ความสกสบายในโลกมันก็เลยเศรษฐกิจมันก็กิจมันก็สั้นเข้าไปไม่ได้เรื่องมันได้เล่า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 คิดว่าจะให้ได้ตัดสลูเป็นสะกุติเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสลูข้าจะนั่งภาวนามันตายแห้งเหมือนกบยามากตั้งใจภาวนาเอาจนได้ชัยชนะตัดสลูเป็นสะกุติเจ้าคือว่าตัดกิเลสในจิตในใจของพระองค์คนเราทุกคนก็มีกิเลสตัณหาเหมือนเหมือนกัน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 พระอริยสงสาวกเจ้าทาั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระได้สำเร็จมรรคผลก่อนพระก็มีนั่นคือว่าท่านตั้งใจทำคนเราถ้าตั้งใจจริงๆเย่่งมัน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 ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดยิดใจเราได้นึกน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงหรือเปล่าเราทำบาปหรือเราทำบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญเราพูดบาปหรือเราพูดบุญ สิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดผิดเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้มันคล่องแคล่วว่องไวทันจิตทันใจทันกิเลสจึงจะละกิเลสความโกรธได้ จึงจะละกิเลสความโลภได้จึงจะละกิเลสความหลงได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้มากมายพอสมควรเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพาทันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาะจนีสัพพิติโยวิวัตทันตุสภะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโน จตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภารังอยู่พอได้มันก็มาดมท่อไอเสียเหมือนกันทนอดเอาทนเนาเมื่อมีความอดทนมันก็สบายได้ต้อง ม, มาภาวนานะพุทโธพุทโธเลยพระพุทธ เ, เจ้าของเราเนะ่ะ ท่านภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธทธภคมเมื่ออยู่ในตรงกระบินละพัดท่านก็สบายอกสบายใจเพราะภาวนาพุโทโธมุ่งอยู่สเสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าพรรษายี่สิบเก้าปีท่านก็สบายไปภาวนานน้นกล้งเขาฮิมารัยเอเลเวตอย่างคุณ ก็สบายอยู่นนะเป็นภาวนาพุโทโธถ้าพวกเรามาทำพระปองก็ให้ตัดบ่วงห่วงอะไรทั้งกง ร, รุงแทบมหานคร้ามันหมดก็สบายเหมือนกันยางพอได้กับวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สบายถ้าไปคิดว่าเอ๊ะลูกจะอยู่อย่างใดหลานจะอยู่อย่างใด เออนั่นจะ่นั่นเยดาไปคิดเออดีเออนั่นต่างจากนั่นก็รอพุทโธอันนึงพุทโธบอกต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนมาโยธรรมก็เอาใจเหมือนกับทำป่าที่นี่นับว่าเป็นเป็นที่มงคลเขาลูกนี่เป็นที่มงคล หลวงปู่มันหลกคพณแขวนอย่างนั้นนั่นว่าในแขวนเชียงใหม่เขาเชียงดาวหรือว่าถ้ำเชียงดาวบริเวณเขาถ้ำนี่แหละที่ไหนก็สบายวางนเพราะอะไรฮะเดนฟ้าอากาศต้นไม้โูเขามีสมบูรณ์บริบูรณ์ออกซิเจนมันมาก เลยสบายอันไขามาถึงนี่แหละถ้าอยู่ น, น, นานๆสักสามปีเราก็เริ่มมาละกรุงเทพยลยแต่ว่าถ้ า, ถามาสอนฝังวัาลรคิดถึงเดียวก็ไปทุกข์อยู่แล้ว <c oughs> นานจึงให้อยู่ น, น, นานๆพระพุทธโล ก, กันยิงอยู่นานเลยนั่งมาแล้ว นอนพระพุทธโลกพุทธมณฑลมันยังอยูนยืนอยู่หน้าเก่งมากนสบายทุกองพระพุทธโลกเม <c oughs> ื่อเราเห็นพระพุทธโลกเเราก็จะต้องตัดวงห่วงอะไรเหมือนพระพุทธโลกนี่แหละให้ได้ที <c oughs> นี้าะทาบทตัดมาไงมีแต่ทุกข์ าเอาพระพุทธรูกเป็นตัวอย่างนะดูพระพุทธเจ้าพันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาฉีนภาวนามาฉีอสงไขยแสนมหากรจึงได้ปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดตัดบ่วงห่วงอะไรพระองค์มันก็ห่วงเหมือนกันแต่ว่าได้ปัญญาภาวนาเลยตัดได้ละได ที่พนตัดได้ละได้จริงๆก็คือว่ามราณงเมพาวิสติคือระลึกถึงความตายพระองค์ว่าถ้าหากว่าเราจะห่วงอะไรคนอื่นอย่างเดียวเราต้องคิดด้วยว่าเมื่อเราเกิดมาก็มาคนเดียวแกมาก็แกมาคนเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บคนเดียวทีนี้ถึงเวลาแตกเวลาตายทุกคน จำเป็นต้องจากกันเลียว่าไม่มีใครสู้นายพญามัจจุราชคือความตายใหญ่ ย, ย, ยิ่งไม่เลือกเจ้าไม่เลือกนายไม่เลือกว่าท้าพญามหากษัตรัย์รฐมตีจะเป็นนายกเก่านายกเม่ใหม่ไม่เลือกเลยถ้ามาถึงแล้วก็จำเป็นต้องละทิ้งสิ่ ง, ท, งทั้งหลายไป น, นึกอย่างนี้เราก็สบายใจลนะมรณะกรรมฐานมรณงเมพาวิสติมรณะ ม, มรณงแปลว่าความตายเมก็แปลว่าเราตัวเรานี่แหละจะต้องตายร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ไม่นานนานที่สุดก็ หลวงปู่แหวนเก้าสเก้าปีก็อยู่บาได้พวกเรานี่ยถ้าจะไม่ถึงเก้าสิบเก้าปีด้วยโนแล้วอ้พวกนิมนต์จะอยู่ไปใส่บานให้หรือมันจะอยู่รึไงพวกใดนิมนต์พวกนั้นต้องอยู่ใส่บานมันต้องอยู่ไงต้องไปอยู่ใส่บาน กินข้าวบาดก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้อย่าไปกลับก่าแล้วกันบินบาดทวนที่นี้ไปบินบาดมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าผักต่างๆแงเชียงใหม่เนี่มันอาหารผักอยู่มาอยู่มันสบายที่สาราเกษตมันพอกันหมด บอกพ่อกับพ่อคันขึ้นมาบนนี่ต า, า, า ว, วันนาดีมะเครื่องพ่นบทถามกินข้าวครับเจ้าของพ้นสบา ย, บายพร้อมกันหรือยังอ่าให้มาพร้อมกันก่อนก็ <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องด่วนไปไหนละคืนนี้ยังไงก็ไปไหนไม่ได้ละ ตักนอนทับเปลแล้ว <c oughs> เสือน่ะมันมีอยู่แต่มันไม่ทำอะไรใหดด้ญาติโยกเดี๋ยวนี้เสือเสือที่นี่ันเป็นเสือจำศีลสินห้า น, นี่เห็นจะได้มาอยู่เชียงใหมน่นี่เฉพาะทำเนียกรีวิวยี่สิบเก้าปีแล้วแต่มาอยู่ไม่เห็นเสือกินคน แล้วไม่เห็นเสือกัดสัตว์ใหญ่โวควายยังก็ไม่ไม่ทํามันก็นานๆก็ลงมเยี่ยมหลวงปู่อยู่แต่มันก็ไม่ทาอะไรมันมีอยู่หลังเขาไปโน้นดงสามหมื่นท้งนี้เป็นเลวดงสามหมื่นมีดงใหญ่อยู่ทางนี้เ่ยติดต่อกับแม่หอ้องสอนมีแม่นําสาละวินเป็นเขตแดนไทย พ่มาจนมีมีช้างมีช้างเหมือนเมืองไทยแล้วแถวนึงมีทางเหมือนกับเขาใหญ่โคราชถ้าท้างฝูงนี่ข้ามไปพ่อ ม, มาขอก็ว่ชทางพ่อมาถ้ามัดข้ามมาทั้งพอดไทยก็ว่างไทยไม่รู้เป็นท้างของใคร ง้ามันเป็นของไทยเนะโอ้ยสองงานี่ของไทยงาช้างนี่งาช้างป่าเนี่ยมันไม่ใหญ่เป็นงาต่างบ้านแล้วก็สมัยนี้มันมันยังไม่ใหญ่เละมนุษย์มันดุร้ายช้างมันค่าช้างเอางาเนี่มันเลยขาดทุนตัวมันใหญ่งามันน้อยนึง เลยมันขาดทุนมาไปไ ป, ไปขาดทางช้างนี่ถ้าคนไปเบียดเบียดมันเ่ะไปก็ดุร้ายเนะสี่ศูนย์สี่หลงปูขึ้นไปพูกระดึงสิบสี่สิบห้าคืนพวกไอปรับปรุงหลังพูกระดึงเขาไปเลื่อยไม้ไว้ แล้วก็วันนั้นก็มันคํำเลยยังไม่ได้เอาไม้เข้ามาที่พักไว้ในป่าพอตกกลางคืนมาช่างจังหวัดเลยเนี่ยโดร้ายบังเอิญมันขึ้นมาเห็นของคนแถงนั้นหลับเหยียบหักหมดเลยใช้เวาลาอยู่ด้านบนทางทางเขาเรียกว่าทางด้านเหนือวัดพระแก้ว ก็พอดีมาพักติวัดอระแนกะ้วคือว่าช้างมึงเลยเป็นช้างดุร้ายสมัยก่อนๆมันยังมากมากหลายนั่นอนะ่ะปีหนึ่งในี่คนต้องตายเพราะช้างสองสามคนแลดูฝ น, นชอบมาทำลายความจริงเนี่ยมันบดยเฉมันช้างทำลายมันคนทำลายมันเอาเปืนไปยิง มันมีจิตใจเหมือนกับคนเ้าคนไปทำมันก่อนแล้วมันตรงตามตามเด็ดเดียด น, นใกล้ล้ะที่หลังก็ได้ไไดก็มันมันบกเละทุกตัวแล้ว <laughs> เตราะตัวมันดื้อมันทายตัวดีก็มีอยู่เราแต่ก่อนจังหวัดเลยเนี่ยเขามีทางเกือบจะเป็นล้อยๆในแต่ก่อน เขายังให้ไปสวดมนต์สวดยังให้ท้างของเขาอยู่ทำผาดิงทำผาดิงในหลวงปู่มั่นคนไปจําบรรดามานั่นนกับไปสวดมนต์บ้านนั้นบ้านนี้ผู้ใดมีชาเก่ า, าชางมาโผล่ไว้แล้วก็สวดมนต์ให้ชักเล่าดูตัวมันน่ะมันเหมือนกับว่าจะบนลุกเล็กถ้าเล่าไป ไปใกล้มันไปสวดมนให้ไปอย่างในท่อช้างเนี่มันตัวมันไหวบ่ได้บ่ได้แต่ใจมันไหวดูตาดูหูมันถึงนั่นมันท่อล็กเล็กลกเล็กลกเล็กเจ้าของหรือว่าควันช้างมันต้องขนาบดูมันยังอยู่ได้มันนี่ใส่ช้างช้างเน้นให้พระพุทธเจ้าสอนว่า อิริยามารายาให้เหมือนช้างดูแตไปแลวมันไตด้วยนุ่งงามดีบบลุกลทกิุกเ ล, ลิกเหมือนหมาเหมือนแมวเรียกว่าสุภาพเท่ามันย่างไปนค่ก็เหมือนว่าเอาไปเรามีคนยกไว้ก็ลงไปลงไป<ะ>เอาแล้วก็เอาละพอเข้ามาแล้ว